เกิดอวงตาเห็นธรรมพนอะได้ฟังคำเทศนาจากพระอสกิเพียงประโยค น, น้อยๆสั้นๆก็ทำให้เข้าใจทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมตามตาราวา่าช่วงนั้นได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะฟังคำพูดอย่างนั้นเพราะผู้ที่มีปัญญามันพร้อมดอ่แล้วนะมอนก็ว่าบัวบวทิพนน้ำ พอได้รับเสงอาทิตย์สมบานได้ทันทีเรียกว่าอุคติตันยูบุคคลคนบางคนเป็นอย่างนั้นมีหลายระดับคนนะนก็บัวชีเราดังที่พระพุทธเจ้าได้มียานเลงเห็นยึงเผยแพร่ขักษาชนาะจยงออกสั่งสอ น, นก็มีอย่างนั้นชีวิตจิตใจสติปัญญาของคนเราต่างกันส า, ารีบุตรนี่มีจิตใจเหมือนกับ บัวที่พ้น้ำแล้วในรุ่งเช้ากำลังจะบานพอได้รับแสงพระอาทิตย์ส่องก็บานได้ทันทีเรียกว่าอุคติกันอยู่บุคคลสารีบุตรตอนนั่นก็ไม่ได้ชื่อว่าสารีบุตรอกเรียกว่าอุปติตสัมมนบยังไม่ได้บวชเลยแต่ว่าเป็นพระอริบุคคลชั้นต้นพระโสดาบันที่แล้วได้ฟังธรรมเทศนาจากพระสกิ ก็จะแสดงตนเป็นพุทธารร ม, มาค่ะขอพระสัชชิเข้าถึงพระสัชชิเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สรณ ะ, ะเป็นที่พึ่งพระสัชชิเขาบอ ก, บ อ, กอย่าเลยไม่ใช่อขอให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกประธามว่าเดี๋ยวนี้พระสนะพระสนณโคดมอยู่ที่ไหน สำนัพระงองก็อยู่โน่น อ, อยู่กรุงราชาคฤห์อวกรุงราชคฤห์อสาริบุธก็ชวนโมกขลาได้พากันไปแล้วอาสวัตถีไปยังราชาคฤห์ตรงราชาคฤห์นะพระเจ้าพิมีสารเมืองพระเจ้าพิมีสารโ น, น่น ต่อไปเราก็ไปถึงพระพุทธเจ้าก็ฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาอันยิ่งใหญ่ก็เลยเออกก็เลยบวชชวนกันบวชบอคนลาก็บวชเสีบยบุก็บวชก็บวชแล้วการบวชสมัยนั่นก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าเอหิปิกุปะจสมปทาพระพุทธเจ้าก็ ตัดว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเธอิดถ้าทำไปไหนเราตัดไว้ดีแล้วท่านจงเป็นผู้พุทธภูมิจันท์เธอถ้าผู้ใดที่ได้บรรลุธรรมตั้งแต่ยังไม่ได้บวดค่อยท่านก็พบคุณดวงก็ตัดว่าจงก็พุทธภูมิจันท์เธอถ้าผู้ใดได้เกิดดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระดสดาบันรุปสกิทากรรมีหรือเป็นพลังงานอังคภูตเช่น น, นั้นถ้ายังไม่ได้เป็นยังไม่ได้บรรลุถึงธรรมไม่ดวงตาเห็นธรรมก็ว่าท่านจงเป็นโอคุณธรรมให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดด้วยพระวจาของพระองค์เองนอกจากนั้นก็คนพรมหอมผ้าเป็นภิกษุ ส, สมบูรณ์นักบวชสมบูรณ์สาริมุตรหมกคันลานะก็ปฏิบัติศึกษาปฏิบัติ ฟังธรรมเทศนาเรื่อยๆเห็นได้เกิดเป็นพระรหันต์บรรลุถึงพระรหัสผลก็เข้าถึงพระรัทธนาไตคือประพฤระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่มีทุกข์กั เ, เพราะเข้าถึงธ ร, รรมเราพูดพรมจันทร์ให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดนั่นแหละธรรมนั่นแหละเสนณะนั่นแหละเป็นที่พึ่งถึงเป็นพระรหันต์ล่ะ แะที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งอันสูงสุดไม่ใช่เพไปพึ่งบุคคลไม่ใช่เพพึ่งพระสงฆ์ไม่ใช่ใไปื่พึ่งพระธรรมกัมปีไม่ใช่เพื่อพึ่งพระพุทธลูกหรืออะไรหรือพระพุทธเจ้ า, างที่ว่ามาเนี่ยอย่างพระอืออย่างพระอะไรที่ที่ว่ามาน่ะเป็นพระพุทธเจ้า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 ไม่ใช่ตั้งต้นจากที่ตัวเราไม่ใช่ขอเข้าถึงคําว่าถึงนะไม่ใช่ถือนะถือเนี่ยยังยังผิวเผินีต้องเข้าให้ถึงคุณธรรมของพระเจ้าประธรรมประสงค์คนะืออะไเอามาไว้ในตัวเรานั่นแหละสาระที่ถึง่งสาระอันกเกษมสาณะอันสูงสุดพระเจ้าถึงสรณะนี้แล้วจึงพ้นจากทุกทั้งปวงได้แต่ว่าสาลีบุตรนะ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 สมมติว่าทุกวันสารีบทนอนพันหิ น, นศีรษะไปทางทิศตะวนันออกพระอาจารชีอยู่ทางทิศตะวนันออกต่อไปได้ยินข่าวว่าพระอาจาชีอยู่ทางทิศตะวนันตกสารีบทรอนพันหินศีรษะไปในทางทิศตะวนันตกเป็นการขลกรูอาจารย์ไปช่ว่าเมื่ตอตนเข้าถึงรับพุทธธรรมพระสงฆ์เข้าถึงคุณแล้วยังไม่ขลกรูอาจารย์ดูบินไม่ใช่ เคารพก่าบไหเคารพพระธรรมเคารพตัวบุคคลไม่ใช่เฉพาะเคารพพระธรรมเข้าถึงแล้วจ้ะไม่เคารพกันเลยมันไม่ใช่ยิ่งเคารพยิ่งเคารพยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งสมมาคารวะตามอุปชาอาจารยวัดตามพระธรรมวินัยที่บัญญัติมี่แม้ไม่บัญญัติก็เคารพ แต่เราเคารพคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณต่อเา<ๆ>เรียกว่าบุพกลาดีบุคคลผู้กระทำความดีไว้ก่อนแล้วช่วยเราก่อนทำให้เราเฉลียวฉลาดทำให้เราเกิดมีชีวิตจิตใจใจ่ใจโตขึ้นมาสนเกิดสติปัญญาเรียว่าพ่อแม่อะไรครับอรรัต์ไตอาจะว่าก็ามีทุกสามระดับ พระราชนาฏยชั้นประถมพ <c oughs> ระราชนาฏยชั้นมัธยมพระราชนาฏยชั้นอุณ ด, ดมพระราชนาฏยช <c oughs> ั้นประถมเนี่ยก็เราสอนลูกสอนหลานก็ให้เขาได้เห็นพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติออกจากทุกข์ก็ย่อมมีกิริยาเมลยาาดันงดงาม สงบเสื่อมเตรียมตัวเป็นแบบเป็นแบบอย่างให้เห็นให้เห็นได้ให้สัมผัสได้แล้วก็เราก็ดูเอาเป็นเยี่ยงอย่างการดูภพโภคการบรรคภควว ค, ความเป็นอยู่การเสียศสละสียามุรยาสการปลดการจาการโขกการขันการความเป็นอยู่เลียกไม้แล้วก็เอาเป็นเยี่ยงอย่าง พระสงฆ์เป็นผู้สืบศาสนานำเอาพระธรรมคองสอนมาเป็นเยี่ยงอย่างเอามาแสดงให้ดูแล้วก็ดูเอาพรโลกเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบแผนสอนหลูกสอนหลานให้เข้าถึงไปดูไปดูลุงพ่อไปดูอาจารย์ไปดูพระสงฆ์พาโลกพาเต้าไปวันก่นสมัยก่อนีปเล่นของคนของเด็กไปเล่นวัดไปดู หลวงปู่หลวงพ่อไปดูอาจารย์ทก็ดีเรียบร้อยเราดูแล้วก็กราบไหว้หลากราบไหว้ท่านก็ให้สินให้พรท่านก็นั่งเรียบร้อยดูท่านนัง่งดูท่านยืนดูท่านเดินดูคำพูดเป็นพิยาว า, ายาเป็นสุขาสิตไม่เพ้อฝันไม่เผยเจอไม่พูดถามแล้วก็ดู <c oughs> ดูไปแล้วก็เกิดซึมซาบเข้าไปในใจิตใจเราได้เห็นผู้ที่สงบตัวเห็นสมัมเนเป็นสัมเนภายนอกสัมเนภายในก็คือทางาด้านจิตใจของเราสัมเนธนั้นจะทัศนังเอตมังคลมุตตะมังเห็นสัมเนก็คือเห็นภายนอกก็คือเห็นสัมเนธคือผู้สงบ ก, ก็ได้สัมเนภายในคือเห็นจิตที่มันสงบ ก, ก็ยิ่งดีมันเป็นทั้นอุดมไปแล้ว นี่ทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในนี่แต่คนทานก็มันทานภายนอกก็คือฝนนักเลงการ น, น, นันนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงเที่ยวกลางคืนน่ะแล้วคนทานภายนอกคนทานภายในก็คือคิดไม่ดีการคิดที่ไม่ดีนะ่ะความโกรธความทุกข์นั่นผ่วนทานไปนะอันนี้มันท่านอุดมท่านผสมต่างกันอย่างนี้นีน่ แล้วก็ดูดูได้สมณนะเห็นนักวดผู้ที่มีศีรษะเจริญวัดได้เพราะนี่ธรรมวินยัยเป็นวัดปฏิบัติตามประพฤติปฏิบัติตามทำไม่ได้ก็ทําให้งามทําให้งดงามทําให่น่าดูแล้วก็ดูเราก็เคารพเราก็ส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือลทำคําสั่งคําสอน จะเป็นตำรับตำราก็ตามจะเป็นคำภีรก็ตามเราก็ควรที่จะคารเหมือนไปเช่นเวลาใดมีพูดเทศนาสั่งสอนเรายืนอยู่เราอาจจะนั่งลงแม้ว่าเรายังไม่รู้อะไรคือเคารุกจะทำจะนั่งลงปนมมือหัดตัวเองนั่นแหละฝึกหัดตัวเองอะไรู้จับคารุกรู้จักกาละเทศะรู้จักฟัง เราจะเงี่ยงหูฟังเรายังไม่มีธรรมในใจแต่ว่าเราก็จะเงี่ยงหูฟังเงี่ยงหูฟังคำคำที่สั่งที่สอนผลลบผล ร, รบการฟังนั่นแหลใจการฟังนี่ก็เรียกว่าชั้นปฐมฟังแล้วก็มีหนังสือตำรับตำราก็จะไปเหยียบจะไปคาบยกไว้ที่สูงเก็บไว้ให้เป็นระเบียบผลลบ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 เพราะว่าดูลักษณะสงดงามสงบต่อไปเห็นเราก็ใจมันสบายดูดูหน้าของพุทธลูกเออบีมมีความสุขสงบแล้วก็กราบไหวกราบไหว้แต่นั่งสงบเวลาใดที่จิตใจเราน่ออนดูพระพุทธลูกอยู่บนหิ้งพระของเราก็อายครับอายพระพุทธลูก เราเดินผ่านไปมาก็อายสังรวมอย่านุ่งห่มอย่า อ, อพูดเผลอเจอให้หรูจ้จะํารวมทะลุแม่จะเป็นเพราะว่าทลุเคาลกหรือเหมือนกับเราเขาลกพ่อแม่พราแม่เราล้มหายตายไป <c oughs> แต่มีลูกของพ่อของแม่อยู่นั่นหน้านประตูบ้านของเรานะอยู่ที่หัวนอนของเราเราเขาลกเวลาใดเราทะเลาะกันเราโกรธเราก็ อายพ่ออายแม่ที่นั่งอยู่นั่เอย่างนั้นก็รูปอยู่ในรูปก <l> ็ให้เป็นสัญญาเตือนจิตจะกิดใจได้อายซะอายท่านจะอายเพ่ออายแม่ซะทะเลาะกันทําไมพี่น้องเพราะแม่เราตั้งแต่มีคิดอยู่ไม่ได้สอนให้ทะเลาะกันท่านบอกเจทย์โจย์สร้างหัวมันสร้างหัวมันเอามาลูบหลังเราตร้างหัวมันเถอะท่านก็บอกเ อ, อแล้วก็สํานึกใจเสมอแล้วก็อาย เคารพแม่แต่พอแม่ไม่มีชีวิตแล้วก็เคารพเคารพลูกของพ่อของแม่แล้วยิ่งพระพุทธเจ้าเราก็ยิ่งเคารพไปก็เป็นครูเป็นบิดาของโลกเป็นพรุงหมกครูเป็นศาสดาเป็นผู้ลูกก่อนเป็นผู้คนพบทําไมเราจึงจะไมเคารพแม่แต่เป็นคนลูกเราก็เคารพลูกพระพุทธลูกเราก็เคารพนี่สอนในนี้นาสอนท่านประพบท่านอุดมก็มาละมบ เอามาฝึกหัดปฏิบัติแล้วบัดอะไรที่เป็นคาสอนให้ละความชั่วทำความดีอันนี้นะเข้าถึงแล้วบัดนนพยายามนะพยายามศึกษาแล้วบัดปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วบัดสิ่งใดที่เป็นภูศนก็จเจริญแล้วบัดน เ, นเอามาไว้ให้มีอยู่ในชีวิตเราแล้วบัดสิ่งใดที่เป็นอกุศลคนละแล้วบัด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 ที่มีความรู้สึกตัวคือความไม่ประมาทเรียกว่าประมาทถ้รทำก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยดังที่ประโมคลาดไปถามพระพุทธเจ้าทำไงความตายเึงจะิตามไม่ทันพรพทเจ้าก็ตรัสว่าเธอจงมีสติทุกเพื่อมัจจุราชจะตามไม่ทันนี่คือความไม่ประมาทประมาทเทนะสัมปาเทถาเป็นการสรุปความสอนพระพุทธองค์เทศนาสังสอนมาทั้ง 4ี่สิบห้าปีก็มาสรุปลงที่นี้คำสอนทั้งมากมายแปดหมื่นสี่พันเรื่องก็มารวมลงอยู่ที่ความไม่ประมาณในปจิมโมวาดปจิมโพธิการพระปรดองก็สรุปให้สรุปให้อย่าประมาทนั่นแหละสรุปให้น้อยลงมาก็ละความทั่ว์ทำความดีกิดพลิตนั่น โอวาดพระปฏิโมกย่อที่สุดที่สุดย่อลงมาคือความไม่สมานนะสลุปลองให้พวกเราคู่พี่เกิดสุดท้ายภายหลังรวมลงอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> แต่ก็จึงเอามาศึกษาให้มีให้มีนะไว้ในเราให้เข้าให้ถึงไม่ใช่ถือพรัตนาใจไม่ใช่ถือพรัตนาใจคือเข้าให้ถึงให้มีอยู่ใน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 เปลี่ยนผิดให้เป็นถูกทําความดีให้มากภาวานาจะทําความดีให้มากความดีก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยลันมาศึกษาเอามาปฏิบัติละกันเอามาไว้ในตัวเราแล้วกันกดขัดปฏิบัติให้มีให้เป็นแล้วันทำให้ได้ทําให้มีแล้วกันรู้สึกกระลึกได้แล้วกันเนี่ยอาพลัาตตะไนไว้ในเรา คทนทำมันใดที่เป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลเอามาไหวที่นี่หมดเช็นดังที่พูดว่าในพระมงคนนลสูตรตัดลาเสวนาจะพาละนังบันติตตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตมังคะ อ, อุตมังมันเป็นคำพูดการไม่คบคนผานการครบบัณติตนั่นบางทีเราอาจจะมองทั้งหมดคนผานก็คกือนายกนายขอเป็นนักเพลงดังที่ว่ามา อ น, นั่นก็ใช่อใช่อยู่แต่ว่ามันเป็นคนผ่านภายนอกแต่คนผ่านภายในเนี่ยความโกรธความคิดความหลงเนี่ยความโลภมันเป็นคนผ่านอย่าไปครบครองสิ่งเหล่านี้มันเกิดอยู่กับเราเนี่ยเวลาใดที่เราหลงนถ้าหลงมันก็ไปแล้ววันนี่ถ้าโกรธได้มันก็โลภได้มันก็หลงได้คิดสิ่งติดธรรมได้มันอย่าไปครบกรอความหลง <c oughs> ให้ครบกับความรู้สิบตัวการครบกับความรู้สิบตัวเนี่ยครบบัณฑิต <c oughs> ไม่ใช่บัณฑิตคือที่ไหนคนภายนอกก็ใช่ตัวอาจารย์ที่ท่านสั่งท่านสอนก็ครบได้เหมือนกันครบได้แต่ท่านให้เราไม่ได้เราต้องทาเอาเองเอามาไว้ในตัวเราคนอื่นให้เราไม่ได้โดยเฉพาะความดี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 ในสิ่งที่เป็นความชั่วแต่คิดก็ไม่คิดนี่บัณฑิตแต่พูดก็ไม่พูดทําก็ยังไม่ทำเพราะมันไม่คิดอยู่แล้วมาไว้ในเราเลยกําลังฝึกขัดอยู่นี่กําลังเดินอยู่นี่กำลังก้าวไปอยู่นี่กําลังทําความดีอยู่นี่ฝึกฝนตนเองมีความรู้สึกตัวนี่สตินี่จะไม่มชัญญะอยอยู่กับความรู้อย่าอยู่กับความหลง จัดสรรชีวิตของตนเองมีความรู้สึกตัวเนี่ยเอามาไว้ในเรา เ, เป็นอย่างที่ว่ามาพระเจ้าคือพระคุณพระธรรมเจ้าก็คือพระคุณพระสังฆ์เจ้าก็คือวัดปฏิบัติที่ดีหรือเจ้าก็คือยังไม่เมตตากรุณามีเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณเอามาไว้ในเรา พยายามทำให้มีให้มันเกิดขึ้นมีเมตตากรุณามีความบริสุทธิ์ใจทำอะไรให้มีความบริสุทธิ์ใมือถือสาปากือศีลไม่ใช่ต่อหน้าฉันร้อนสรับนังทั้งนินทาแต่คิดก็ไม่กลา้าเพะเรามีคุณธรรมเอาคุณธรรมมาไว้ในเราคุณโทรกับผู้ลูกผู้ตื่นผู้เ บ, บิกบาน ความโลภความตื่นของเบิกบานให้มัอยู่ในคิดใจในชีวิตคิดใจของเราอลาหังก็คือผู้ไกลจากกิเลสกิเลส ก, ก็คือความเศร้าหมองของคิดใจความโกรธมันเป็นเครื่องเศร้าหมองให้มันไกลออกจากสิ่งเหล่านี้พยายามยับยั้งจังใจอะ่าให้เป็นโทสะจริตโมหจริตลาข้าจริตโลภะจริตให้มันไกลจากสิ่งเหล่านี้แต่คิดก็อย่าไปคิด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 ชีวิตของเราก็มีอยู่สองทางคือหนึ่งรู้ตัวสองหลงตัวลืมตนถ้าหลงเราก็เกิดโกรธโดดหลงไปได้ใครจะว่าเราตัวหลงมันใหญ่มันกว่านิ้วมือของเราเนิ้วมือของเราเนิ้วนาง น, นิ้ว ก, ก, กลางนิ้วขี้นิ้วกลางเนี่ยมันย่อมย่อมสูงกว่าเขามันอยู่กลางหรือว่าโมหะถ้ามีโมหะตัวเขาได้มาทางนิ้วขี้ก็ได้ไปทางนิ้วนางก็ได้ไ โลภะก็จะเปรียบทางนิ้อชี้เป็นโภสัตระเนิ้อ น, น, น, นางเนื้อนิ้อนางเนี่เป็นโลภะนะตัวโมหะก็คือนื้อกางเนี่ยมันมันใหญ่มันอยู่ตงกลางถ้าหลงเราก็กลัก็ได้ถ้าหลงเราก็โลภ ก, ก็ได้หนึ่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวหลงเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดกิเลสตัณหาหลักะความสอมหมองกิเลสไม่ใช่ข้อกลัวไม่ใช่ลูกเปีย ใส่ใช่จับใส่ไข่เงินทองไล่นาอะไรอันนั้นมันเป็นปัจจัยที่จะต้องใช้เราจะต้องแสวงหาพระพุทธเจ้าก็ยังบอกให้เราขยันอุทานสัมปทาถ้าคนใดอยากมั่งอยากมีก็ให้ขยันไม่ได้ว่าเป็นกิเลสอุทานสัมปทากัลยาณมิตาสมศีวิชิตตาอัลกษัสมปทาขนะยันหา เอามาล้วก็รู้จักรักษาอยาสุลุยสุไล่แล้งคาบมาคาคาบหนีได้ห้าจินสิบมันจะมีได้ยังไงพระเจ้าก็ยังสั่งยังสอนนี่กัญญาณมิตรตาอย่าพ่อบ้านแม่บ้านอย่าเป็นคนทุกศีลอู่่แล้งคาบมาคาคาบหนีกัญญาณมิตรก็คือแม่บ้านพ่อบ้านถ้าพ่อบ้านเป็นคนนักเลงเจ้าชู้นักเลงการพ น, น, นันนักเลงสุรามันก็หมดแล้ววัน แม่บ้านก็เป็นนักเลงอะไรสารพัเดเนี่ยการพันเันมันการครบชู้คบอะไรต่างๆมลยก็แรงข้าบม า, าขามเนี่ไม่ไม่มีเลยราขาสมทาไม่รู้จักรักษ า, าการเลี้ยงชีวิตก็สุรุ่ยสุดร่าทางก็ไม่มีพระเจ้าไม่ได้ว่าเป็นกิเลสยันหานะก็แบ่งหาไม่ได้ก็แบ่งเป็นสามส่วน เรื่งครอบเรื่องครัวให้อยู่เป็นสุขแต่นี่เกินไปจนเกิดโลคขาดอาหารกลัวมันจะหมดเอามาไหวเก็บไหวของกู้ของกู้เพลงก็เดือดร้อนไหมืัแล้วก็เลยจับบุให้ทานเจสระแบ่งปันคนที่ทุกข์ยากจนมันเป็นมันเป็นชีวิตอันหนึ่งการการให้มันเป็นความสุขลึกๆ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 เอามันก็ยิ่งเหงดแห่งนะโดยเฉพาะเรื่องจิตเนี่ยนะมันเหงนแห้งมันไม่รู้จะพอมาเอานะมันเอาไม่ได้จิตนี่ยนะรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสอารมณ์การได้การเสียนินทานสนเสริญอย่าไปครองมันโอ้นี่มันเป็นโลกมันเป็นสมบัติของโลกไม่มีใครคลองมันได้ถ้าใครไปหวังคลองรูปรสกลิกก่นเสียงการได้การเสียสุกทุกเน่ยผิดหวังนะ่ะถ้าเกิดจนตายเนะ่ะผิดหวัง เป็นคนกระทบ ก, กระเทือนอยู่เรื่อยนะ่ะสุดโทรมง่ายจิตใจที่กระทบ ก, กระเทือนาอายุก็ไม่ยืนเจ็บใครได้ป่วยต้องรู้จักวางใปนี่ต้องวางอืมเอาไม่ได้ต้องทําบ้างมีอะไรก็ช่วยก็ช่วยไปคําพูดก็ยังดีเวลาใดที่เปื่อนมิดเป็นทุกข์มีปัญหาก็ช่วยเป็นมิดพยายามขัดสนในายามความทุกข์ แนะนำคำสอนเห็นดกเห็นใจแต่ไม่ีใครที่ทจะไหลเห็นใจคนที่จะอยากก็ช่วยไปสงเคราะห์คนอยากไหลเห็นใจสงเคราะห์พระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แจสาธาชนาอะไรต่างๆที่เป็นปัจจัยในทางศาสนาศารนาวัตถุศารนวิธีสาสนบุคคลศาสนาธรรมก็ให้มีว่ามาจากต้นไม้ที่มีเปลือก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 เข้าถึงตัวนี้ให้ได้มากกว่าการเข้าถึงศาสนาอย่างอื่นว่ามีตัวนี้มันมีศาสนาธรรมคือแก่นและต้องมีเปลือกมันเข้าถึงแก่ น, นก็ได้ต้องได้ทั้งหมดได้ทั้งเปลือกได้ทั้งกระพี้แล้วเข้าถึงเฉพาะเปลือกคนเข้าถึงแก่นมันก็ได้เปลือกมันก็ไม่ทนทานเป็นสุขนิดหน่อยเป็นบุญนิดหน่อน <c oughs> บุญไม่ถาวรมั น, นแตเราเอาเปลือกมาไปสร้างบ้านก็ปกป้ังหน้า เป็นแก่นแล้วก็ทนทานคือจนไม่โสดไม่โลกไม่หลงไม่ทุกข์ตุ้นเนี่ย <c oughs> ไม่ทุกข์ตั้งแต่บัดนี้ระดับมัธยมต้องฝึกฝนตนเองโดยเฉพาะเรื่องกิจเนี่ยถ้าไม่ฝึกมันดูร้ายมันดูร้ายมารลายกับสัตว์ถ้าไม่ฝึ ก, ก, กต้องมีศีลนั่นแหละสัมรวมบ้างอือัดสัมรวมกายวาจาใจแต่หัวให้มันคิดอะไรเลอะเทอะ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 พูดให้ได้เงินก็ได้พูดให้เขาลักก็ได้พูดให้เขาฉลาดก็ได้พูดให้เขาโง่ก็ได้พูดให้เขาโกรธบางทีคำพูดคำเดียวมันปาหมอทำให้เขาฆ่าได้ก็สำคัญเหมือนกันสำคัญเหมือนกันคำพูดโดมชีวิตของเราไปได้ก็สํารวมระวังการเข้าหาบุคคลเชนเน็นจะควรพูดอย่างไงทำอย่างไงนั่งอย่างไง บางทีเราก็ไม่ใช่ว่าจะคบบัณฑิตออกมไปบางทีพบคนผ่านเราจะพาะผู้มีศีลใหช่ชะอาราศีอยู่ในกลุ่มของคนผ่าน <c oughs> ถ้าเรามีศีนไปอยู่ในกลุ่มของคนผ่านแสดงเป็นผู้มีศีนอันตรายเหมือนกันนะแล้วก็ิหลาดมีศีนนี่ก็ต้องมีความฉลาดในปัญญาด้วยอฉลาดนะศีนไม่ใช่ศีนแบบรับจ้างไม่ใช่ศีนแบบโง่โง นั่งหลับตาไม่ใช่สิ่ง้กินต้องฉลาดเวลาจะทํำยังไงเมื่อประโยน์กับคนเรานี่จะทํำยังไงจะพูดยังไงจะนั่งอย่ังไงก็ฉลาดวันนี้ก็ต้องมีต้องศึกษาต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเจะข้องกับคนพานยังไงเจะข้องกับบัณฑิดยังไงผู้น้อยผูใหญ่ผู้ประชาอาจารย์คุณพอ่อคุณแม่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 ทำไปว่าง้วยเหลือเกียจาร์กันไปบ้างนี่าศาสนธรรมเอามาไหวในเราเอามาพิจารณปฏิบัติให้เข้าให้ถึงให้มีสติสฉมิฉมชัะในความรู้สึกตัวและความชั่วทําความดีโดยเฉพาะความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าใครมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ละความชั่วมันก็ทําความดีกิตต <c oughs> ิมังคุดอิสโซจันทร์ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการ มันเป็นวัดปฏิบัติมันมีความรู้สึกทวมกับไฟแเระไฟจากไหนไฟจากความหลงว่าโดยแท้ทั้งที่ว่าแล้วว่าอีกชีวิตก็มีสองอย่างตัวรูก้กับตัวหลงเราเกิดมาเนี่ยเราอยู่กับตัวหลงหรืออยู่กับตัวรู้ถ้าหลงก็ไปแล้วหลงพาไปแล้วมันถ้ารู้มันก็ฉลาหลาบไปจากความหลงแล้วมัน แ, แสงอ่าดีอ่อนแสงอาทิตย์ แสงดีอ่อนก็สว่าง น, น้อยแต่แสงกระทิศก็รู้แจ้งโลก น, นี่เหมือนกันความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็แสงสว่างทำให้เราได้เห็นแจง้งเกิดความเห็นแจง้งจันในที่สุดนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จเจริญถึงที่สุดคนละความชั่วทำความดีคิดก็บริสุทธิ์ทำทำให้จิตใจมันเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนลย่ปลายเป็นดีไปเละ เปลี่ยนติดตายเป็นถูกไปแล้วเปลี่ยนหลงกลายเป็นลูกไปแล้วอยู่คนละมุมแลยมันลงไม่ได้แลยสมัยก่อนเราคิดเช่เนความคิดเนี่ยมันคิดอะไรก็ได้ <c oughs> เราไม่เคยดูความคิดตัวเองแต่พอมีความรู้สึกตัวมันจะเห็นเป็นความคิด เ, เห็นอะไรทุกอย่างเห็นกายเห็นเวทนาเห็นอิจฉเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึน้นก็ลูกแก้งไปแล้ยเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับอาการอาการของ ลายอาการของใจอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกกรู้จกแยกกันความปวดความมั่วความร้อนความหนาวรูว้ <c oughs> กจกแยกกันรู้จะแยกออกกันแต่ก่อนมันมีตัวมี ต, มตนทั้งหมดแต่นี้พอมีความรู้สึกตัวมันจะเห็นแจง้งแต่ว่าเห็นแจ้งคือเห็นผิดเห็นถูกเห็นสุขเห็นทุกข์แล้วนะพอเห็นแจง้งเรียกที่เรียกว่าวิปัสสนานะ่ะคือการเห็นแจง้งเห็นผิดเห็ถนถูกเห็นโกรธเห็นโลกเห็นล้อยอะไรน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 ถ้ามันมีถ้ามันรู้มากๆก็เห็นแจ้งแล้วมันจนไรมันหลอกไม่ได้แล้วรูเรื่องกายรู้เรื่องใจรู้เรื่องโลกรู้เรื่องนามดูเรื่องทุกข์รูเรื่องสมมุติรู้เรื่องบัญญัติมันก็เห็นแจ้งไปเรื่อยเห็นลาบไปเรื่อยออกจากทุกข์ออกจากความโง่หลงงมงายไปเรื่อยเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระพุทธเจ้าจงทีิงๆไม่ใช่อยู่ที่เปืองบางทีเราเป็นหลงในสมมุติ เราไปบรารงก็บํารงกันจริงๆหลงบางทีศรัทธาเนี่ยศรัทธาตัวบุคคลขนไปให้หลังไหลาตามกันไปไปบารงไปเคารพบุคคลเดียกันไม่ใช่เคารพพระธรรมเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระอริยสงฆ์คือคุณธรรมศ ร, รมัทธาตัวขนไปกองให้ขนไปกองให้ค น, นให้ผู้ให้คนเดียวกัน ไม่เหมือนขั้งพระพุทธเจ้าสมัยก่อนถ้าผู้ใดเท่าถึงพระตันตัยเขียนภาษาสิบุทพระโมคคัลลานะในพระสูตรได้อ่านในพระสูตรพระสารีบุตรโมคคัลลานะนี้ผ่านก่อนพระพุทธเจ้าในผ่านก่อนพระพุทธเจ้าพอกพระสารีบุตรโมคคัลลานะนี้ผ่านไปแล้พระพุทธเจ้าก็อุทานคิดโอ้สมัยก่อนนี้ถ้าได้ยินสารีบุตรอยู่ที่ไหนพุทธบริษัทมั่นคง โอลาอยู่ที่ไหนพุทธบริษัทมัน่นคงนะเพราะว่าพุทธบริษัทมั่นคงก็คือคนมีคุณธรรมอะสารบุตรอยู่ที่ไหนพุทธบริษัมมมทมั่นคงดีมีศีลมีธรรมไม่ทะเลาะไม่มีวาดไม่หลอกลวงไม่อัไรนั่นเพราะเพราะอะไเพราะเขาเข้าถึงธรรมสารีบุตรสอนอเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้อาจารย์บางลกูกพระสงฆ์บางลกูก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 มันตายเล่นอยู่แล้ว น, นั่นจะไปชัวร์ยังไงบางทีพูกแบบจะให้หลวงพ่อบางคนเกจีอาจารย์ยาบางคนเอามืออเคาะกระหมอ่อมให้สินให้พรจะเป็นคนดีก็ไปหลงอยอ่นั้นดีมันต้องทำเอาเองไม่ใช่คนอื่นให้คนอื่นให้เป็นดีปลอมๆแล้วดีจากคนอื่นมันไม่ใช่ ต้องปฏิบัติลงไปที่กายที่วาจาที่ใจต้องเป็นคนดีต้องซื่อสัตว์ต้องสุดจริตต่อชาติบ้านเมืองต่อชาติบ้านเมืองต่อผู้ต่อคนอ่อขาข้าราชการบางคนยังเป็นหลงอยู่แล้วก็น่าอายไม่มีความมั่นใจแยวดีจากคนอื่นนี่เข้าไม่ถึงศาสนาธรรมเป็นชั้นอุดม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 มันมันไปให้พระเกจิอาจารย์ชิดน้ำมนต์พ่นน้ำมันได้เครื่องรางของครังม้ามันก็ยังไม่ดีหรอกยังเป็นชั้นปฐมอยู่เข้าให้ถึงชั้นพุทดมจนมันถึงแวว่าไม่เกิดไม่แจ่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเข้าถึงจริงๆศึกษาเข้าไปจริงๆเอาพระพุทธธรรมประสงค์คนทั้งหมดอะมาอยู่ที่ตัวเราไม่มากอยู่ที่กายที่วิชาที่ใจของเรา นี่เรียกว่าพัฒนาไตนีทั้งสามระดับถ้นหลุแล้วก็คือชั้นปฐมชั้นอดอกชั้นมัธยมชั้นอดุดอกชั้นปฐมก็มีเลือกว่าสาั่งสอนโลกเต่าเหล่าล้านทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นพูดให้เขาฟังทำให้พูดสอนพูดสั่งโดยเฉพาะพ่อแม่ต้องเป็นครูคนแรกนัถ้าเขาให้ดูอย่าไปทะเลาะกันให้ดูใหเห็นในที่ไม่ดีอย่าไปจิ้นเราอย่าไปสุบุตรี จะทําทแสดงความโง่หลงงมงายต่มีจุดดอนให้ลูกให้เต่ามันเห็นต้องเป็นที่พึ่งของลกูกของเต่าเฉลี่ยฉลาดทาหน้าที่เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นทางครอบพรบมมีความเมตตามีความกรุณาบ <c oughs> ิดามารดาต้องมีคนุนบิดามารดาเนี่ยบิดามดารตาเลยหมายถึงคุณลักษณะผู้ให้ผู้นับดังที่ใ น, ในพระสูตรท่างกล่าว คนนับไรนับลกูกหนึ่งคนสองคนสามคนผู้ให้ก็คือให้ดูดให้ดื่มให้กินกินนมกินเลือดของตอนเลือดในอกกอดลกูกอุม้มลกูกผู้ให้ดืม่มผู้ให้เลี้ยงผู้ให้ชีวิตนมนมันก็คือเลือดของแม่่แต่ว่ามันตอนที่จะให้ลูกดื่ ม, มก็ต้องเป็นน้ำนมเป็นน้ำที่บริรสุทธิ์สีขาวก็คือเลือดนลองหยดนำ้ำนมไปวางใส่แดดดูสิ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 ถ้าจะเลี้ยงก็ไม่อยากเลี้ยงต้องให้คนใช้มาเลี้ยง <c oughs> คนลงไปเลยไม่ได้ไม่ได้เสียสะละจริงจริงลูกก็ดูดนม <c oughs> บวชนองควายไปสิละพ่อแม่ก็ไปเรียกร้องให้ลูกเป็นคนดีว่เ ป, เ, ป เ, ปเป็นไปไม่ได้มันต่างกันแล้วมันต่างกันกับสมัยก่อนเกณฑ์ให้ลูกเป็นคนดีแต่พ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตามที่มาตา ผู้ที่พูดที่นับผู้ที่ให้ดื่มผู้ที่กอดลูกใส่อกลูกกลัวเวลาใดมันคิดถึงอกแม่นี่เวลาใดมันคิดถึงอกแม่แต่นี่เวลาใดมันเหี่ยวก็ถึงขวดน้ำนมถึงพี่เลี้ยงร้องให้หาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงดูถ้าผู้พี่เลี้ยงดีก็ดีไปพี่เลี้ยงไม่ดีก็ลูกไล่ไปมันเป็นอย่างนั้นตัวันนี้ท่านคนเรายังมีการเปลี่ยนแปลงไป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 ที่ลูกนอนอยู่ก็หาย ใ, ใจไม่เอิมนเพราะพ่อสุบุรีกินก็กินอากาศไม่ไดีกินเหล้าทีไปกินเหล้าไปสุบุรีไปกินสัตว์เนื้อสัตว์ยิ่เหม็นก็ไปใหญ่ ม, มันก็ไม่เอาแล้วมันลูกมันจะเอาได้ยางไงทางการศึกษาเพราะฉะนั้นหมูนีต้องรับผิดชอบรันตนตรตก็คือคนนั้นแล้วถ้าถึงคนรันตนตรัภายนอกก็มีจันปถม ปัตตพรตัตนาใจชั่นอุ ด, ดมจะขายในลึกๆหัวใจของทุกชีวิตเข้าให้ถึงนั่นเน่งมีคุณธรรมไว้ในตัวเราพุทธเจ้าก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานช้าเมตตากรุณนนามีบริสุทธิ์คุณมีปัญญาที่คุณแก่ทุกแก่อะไรให้มันเป็นพระธรรมก็คือสินสมาธิปัญญาให้มีมีความสงบมีความ สอบรูในกองสังขารอย่างโง่หลงงมงายเจ่ยทุกข์ให้เป็นอย่าไปโกรธอย่าไปโลดอย่าไปหลงอย่าไปทุกข์รักชาติบ้านเมืองรักพอ่อรักแม่รักครูอาจารย์รักญาติพี่น้องก็คือเราต้องเป็นคนดีความรักแท้ๆคือความเป็นคนดีที่รักตนนะอยากเป็นทุกข์อยากทำตัวเองให้เป็นทุกข์อยาเป็นคนโง่หลงงมงายเป็นคนเฉลียวฉลาดออกจะทุกข์ให้เป็นแต่มีทุกข์มันแล้วรักคือความรัก อย่าเบียดเบียนตอนอย่าเบียเบียนคนอื่นนั่นแหละนี่เปบอกพระทำหรอรพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่ซะทุกคนมีหน้าที่